วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นกาทุิเริ่มสำคัญอย่างยิ่งในโลกคือวันวิสาขบูช า, า, ชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นประสูนกสจจารู้นกองเสด็จดับรันตมีทานในวันเดียวัน จึงว่อยวันดิฉาคาบูชาเป็นกลางเรือนหกแต่นี้มีแปดช้นแปดก็เลื่ 8, 8, 8, 8, 8. อนไปมาคาบูชากลางเรืน 3, อนสามก็เลื่อนมากลางเรือนสว่ดิฉาคาบูชาก็เลื่อนไปกลางเรือนเจ็ดสิบวันซึ่เรียกว่าสําคัญนั้นชาวโลก ยอมอรัองค์กรองค์การของโลกอยู่เทพของโลกทุกาสนานในโลกนั้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยได้ประกาศขึ้มนมาเมื่อวันที่15ธันวาคม2542 ประกาศถึงวันวิสาขาบูชาเป็นวันสาคาัญของโลกให้ทุกประเทศทุกแห่งได้เป็นกุศลทุกศาสนาวันนี้คำสั่งขององค์กรองค์การของโลกสั่งมาทางประเทศไทยกรรมการมหาเทรนต์เขได้สั่งตามวัดให้นั่งสมาธิร่อมกันทั้งโลกเวลาชิดแปดตะหกา แต่เราก็ักลอไปถึงที่แปดมันก็เย็นมากเราว่าแต่และประเทศเวลามันไม่ตรงกันเวลาไม่เท่ากันเหมือนอย่างเราเวลาก็ไม่เท่ากันตุรกมาก็ไม่เท่ากันวันวิสาขบูชาเย็นได้เล้วจะต้องมีการประกาศทุกศาสนาในศาสนาตํางญ เราวาสานาพุทธขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม่เหตุผลเป็นสัธรธรรมทาสมาธิให้มีความขยายเรียกว่าสายปัญญาให้ใจบริสุทธิ์มีศาสนานีทาใจให้ปุถุของสายสะอาดนั้นคองธรรมธรรมชาติที่หลอกหลังเป็นไปด้วยความเมตตา เตไปด้วยสันที่สุดทตมไปด้วยระดับกายวาจาจิตสํารวมกายสํารวมวาจาสวมมิตจิตใจเราก็เบิดบายขมายใจอารมณ์ก็ดีขึ้นราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาเขาค่อยค่อยจางและหายไปกลายเป็นคนใจเย็นเขาจึงได้อาวันทุสาขา เป็นวันสําคัญทั้งโลกผู้ศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามเขาให้ทําสมาธิวันนี้ถวายเป็นการยุติธรรมเพืาา่อาตเรียกว่าวันสาคูงของโลกเป็นวันสาคูงอันนี้เราคนไทยชาวพุทธหน้าผ้าปูนไก่เป็นอย่างยิ่งน่าจะเป็นคนผ้าปูนไก่ กลับไม่ได้สนใจเวลาวันพะวันึกษาถาไม่เคยมาวัดแต่ไม่ได้มาวัดวัตถุอย่างนี้ก็ไม่เ็นไรคาชนาของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรม้าวัดให้ได้สามวัดวัดหนึ่งคือวัดถุธรรม สองวัดอารมณ์สามวัดจิตเป็นธรรมชาติของทิศอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เวลางานเหมือนเทพประทึกถึงจิตนี่มันวิ่ง ต, ด ต, ะตะัดรถเตลงไปมันลิงเยอะ ข, ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงสายทางเพรชีวิตคือสายคตขึ้นขึ้นลงล ง, ลงนั่นงพลมารุทธิ์เพชรคำว่าพลมารุทธิ์นี่มันเกะตัวเรา ไม่ใช่มักดีตัวเราให้ไปทางชั่วและให้ไปทางดีตัวเราผีดตัวเองด้วยผดุงทมทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างนี้เป็นก่อนถ้าจิตใจใครเข้าไมา่ถึงธรรมะคนนั้นจะเลอะละเลอะเทอะขาดศัจจะพูดแท้พูดคอเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจออารมณ์จะไม่ดีเสมอ ทำอะไรก็ใจร้อนไม่ผค ล, ลายอันนี้เรื่องสำคัญมากไล่ธรรมะคาเทผลไม่มีเหตุไม่มีผลเต่ละการได้เพราะฉะนั้นนีชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาจะถือวันนี้ธรรมะวันสากรให้ทุกศาสนาบำเพ็ญปะโยกในวันนี้เขาเรยกสากร ศาสนาพูดเป็ศาสนาชาคนสั่งมาตามวัดตามวัดบางแห่งมาไว้ก็ไม่เอาไหนคนคู่คนก็ไม่มีรถจอดชะคันก็หามไม่ได้ไม่มีรถมาจอดเพราะไม่มีคนมาถ้าพระจะใช้เดินมามังวดนั้นเขาคงไม่ใช่รถคืงไม่มีรถจอดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติ อย่างเช่นวัตถุธรรมประธานธรรมมีธรรมะสี่ประการแล้ว น, น, วนั่นคือวัตถุะสะอาดที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกทึงขอ ง, องนอนนอในมุ้งปุกในขั้วถุงรงเท้าบ้านน่าสะอาดนอกสะอาดน า, ดายสะอาดกายสะอาดติดชีวิตแจ่มใสเต็มตัวปัญญาสะอาดนอกสะอาดนาย ถ้าจะมีบุตรที่ด่า น, น้าหลายก็จะมาเกิดถ้าใจโศกโตกสัตว์นโลกมาเกิดเถียงคอเสียงแม่คํางไม่จบว่าหัวดื้อัวรัดอันนีช้ชัดเจนซึ่งวัดที่หนึ่งวัดถูทำธรรมะ ม, มือสืบการตามมาถามใครบอกว่าธรรมะทุกเจ้าสอนมีรรมมรรมอสืการตอบเยอะหมดตอบจนจำไม่ได้ ต้องก่อเหตุผลสรุปในความสั้นๆหนึ่งสอนสี่ข้อหนึ่งสอนธรรมชาติธรรมชาติให้ดูธรรมชาติเช่นดอกไม้นี่มันชดใช้ไนะเดี๋ยวก็แห้งเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสา ว, วก็นางสวยๆเดี๋ยวก็ต้องแก่แก่แแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บก็กต้องตายข้อพระชาติจากการเป็ธรรมดาที่ธรรมชาติ สอนตรงนี้เลยให้เห็นเลยเป็นหลักของจริงต่างชาติต่างศาสนาจชืเถียงไม่คิดเสียงไม่ึิดอันนี้เป็นตัวสวําพันธวัตถุธรรมธรรมะพอถือสอนสอนอะไรหรือทั้งลายคิดจะได้สอนอะไ ร, อรอสอ น, อสอนเหตุสอนไอ้ผลมันจะเกิดมาจากเหตุดีเหตุไม่ดีเนี่ยผลไม่ดีเลย พันไม่ดีเพื่อพันชันญานมาดีไหนเล่ามาจะงอกนะอห้ำตนไม่มันก็ต้องหงอกที่กองท่านสอนสุกคนให้มีแขกมีผลเสียหน่อยมีต้นมีปลางทํอาอะไราให้มันมีแขกมีผลใครรู้จักกาละเพศะใครรู้จักปีจาระขณะรู้จักการเวลารู้จกักข้างขึ้นโรงแรง รูกจากผู้น้อยหรือจากผู้หใหญ่บ้างตัวนี้เหตุผแต่บางคนไม่เอาเพไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานไม่เคยปฏิบัติธรรมการมาปฏิบัติธรรมต้องทางตรงไหนที่ก็สอนเหตุผลคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลลูกหลานจะดีได้ต้องพ่อแม่พ่อแม่ดีเนี่ยพาลูกมาวัดเนี่ยลูกก็จะไปมีใชู้่ พาไปทางโน้นพาไปเล่นจานานพาลูกไปเที่ยวล่อนเล่เทนตุบานลูกก็ถูกตามไปอย่างนั้นเอกแม่เลยแม่บ้านใน่ดีแม่แบบแม่แผงอดีแม่บ้านทางเรือนแท่นแบบเลยลูกบ้านนั้นเสียแท่งแบบแม่พิมใช่ไม่ได้ออกงานใช้ไม่เดินไม่คือกาละาเทศะเหตุผลไม่ถึงนี้ คะพูดดีจั hey. งคจำไว้เลยว่าหนึ่งสองธรรมชาติดูธรรมชาติดูพวกเราเนี่ยมีหลายระดัะมีท่างกระมม่หมีทั้งนักม่ไหวมีทัางกัดต้ม่หวมีทั้งแต่เดินจ็ไม่ไหวมีทั้งร่างกายมีสมบูรณ์่อยเืี้ยเสียถานนี่ธรรมชาติด้วยผลแหกมด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทุก ขาสนาดีกว่าองค์กลาองค์กลารของโลกหม่มายจำไว้รู้เรื่องนั้นวัตถุธรรมธรรมนมีสี่ขอนะาจรยวัตถุคือนี่หนึ่งวัตถุธรรมนิธรรมะวัตถุธรรมข้าวัตวัถุตรงนี้วัตถุสะอาดมานชางาดเรียรอยห่องน้ําของรวมที่เื่งชาทีา ถ้ามันมีธรรมะพ่อตอนนีเลยวัดเนี่ยห้องเชื่อวงวเปิดบ้านกระทรวงเปไม่มีความประเบียบคนที่จะดีมีปัญญาคนที่มีสิ่งมีธรรมคนนั่นจะมีระเบียบเพียด้ยวดยที่หนาออกมาอย่างนี้ชัดเจนว่าอย่างนี้เรียก ว, ว่าวัดถุดขึ้ข้อที่สองคือสอนเหตุสอนผล ท่านแม่เนี่สรุปบเดีนะผลก็ดีพืชดีนะข้าวพันดีนะข้าวพันดีวางไปแล้วถึงไม่ขึ้นมาแล้วมันก็มีเพืชอพันมันก็ดีพันดีพ่อแม่พันดีลูกมันก็พันดีพ่อแม่พันไม่ดีลูกมันก็พันไม่ดีอันนี้เหตุผลแต่ทุกคนไม่รู้ว่งทาวัตถุทำมีขอบกพร่องตอไม่เลย ตอบไมได้ถลุกบทถลุกจะได้ตอบยืงยาวเท่นั้นตอบรืดยาวใช่ไห ม, ไหมไล่ะเราวันนี้ในชมายก็ต้องวงวันช้ำคัญตั้งตะเบงเขียลนละหมอนสามสอนกดให่เต็มทำดีได้ดูทู่ด้ผู มันเป็นกดแห่งกรรมไม่ว่าเหนือกว่าอะไรเหนือกฎแห่งกรร ม, มนะี้นะมันก็จ้หาเรื่องรางของของังอันนั้นมันชําหนับเคารพนะผูครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแลนะมันไม่ใช่อย่างอื่นทางสอนสรุปให้รับฟังสอนกดแห่งกรรมอย่างพวกมันนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้กดแห่งกรรมนะ นางทำไมได้ฐานข้อหนึ่งละเลึกชาติหนนะึ่งละลิกชาติชีวิตเคยค้างอดีตมาเป็นเด็กแล้วก็เมื่อตอนนั้นเคยเล่นไปเฉยนะนึกอย่างนี้ละเลึอกอย่างนี้อาจจะในเนื้อตัเป็นครัวใครชาติไหนชาติไหนอย่างที่ปาบ้าบอต า, า, ามวัดไม่ชัดละเลึกชาติชีวิตมันกรรมฐ า, านมันต้องงูละเลึกชาติชีวิตนะสองลูกกระเทีกรดำนะ ถามแก้ปัญหาชีวิตได้หรือไม่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้อย่ามาหน้ากรรมฐานให้เกิดประโยช น, น์กรรมฐานเป็นตำลาแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่ว่ากรรมฐ า, า, มแามนแก้ทั้งจะไปช่างตามไว้ิญญานากรรมฐาน ม, มาแก้บนกันบนนู่นบนนี่ไว้มาแก้บนไม่รู้บนอะไรกันบนก็ผิตึงกับท่าบนมันจะเกิดประโยชน์อะไร ต้องบนตัวเองถึงตั้งใจทํางานตั้งใจปฏิบัติทำบ้างนะวนมาเนี่ยเอาเพื่อร้อยหนึ่งคนเราดีพอกระโดแล้วร้อยหนึ่งขาให้ได้หนึ่งคนได้จริงๆใจ ต, ตาที่เก้ามันไม่ได้อะไรั้งมันทำเรื่องแล้วเอาคนที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีศรัทธาละมีการเคารมีการบูชา มีการนับถือแลว้วก็เชื่อฟัง้าไมช่ห้าข้อนี่ยามามันไม่ยา อ, าอะไรเลยที่เนื้ช้อนข้อที่สามกฏต่างเพื่อธรรมศีลข้อที่สี่คืออะไรรู้หไหมหมรู้ไหมไมรู้มากกว่ที่สี่ สอนให้ืนใจอย่าไปตามใจตัวเองเล้วตามใจตัวได้เสียพูดเสียคนสอนให้ผนใจเข้าใจนะนี่ธรรมะถือแค่ถามใครจะตอบไม่ได้แล้วพวกกรรมฐ า, านจะตอบได้นะ้เอเพากํรมนา ม, มานาันจะหนาผนึกใจถ้าผนึใจไม่ได้ดีไม่ได้เพากํามนามันจะหนเอาแลามมาา้ว น, เนีเหตุผนล มีคนตอบไหมครับพูดยาวๆพวกเราเสลยตออบบัญชาเนี่ยคณิตศาสตรออกเสร็จบัญชานีในน้ำอโนมาหน้าถทงทำไมต้องเฉ็จบัญชาแล้วแล้วเสใจเรืาองอะไดเฉลยรัญชาไปหาวิชาหละเหนือชาวโลกยอมรับพระพุทธเจ้า ยอมรับแล้วไม่มีศาสนาอยู่เลยที่เราทำใจบริสุทํา์ทำใจให้บริสุทําทำให้เกิดปัญญามีศาสนาอยู่มีแต่ค่าศักดิได้บุญมีกา่เมตตาคือศาสนาเมตตาปราณีเรือเพื่อข่าวเลือกอ่อยุตแต่คำว่าผืนชายเนี่ยได้มาจากไหนป็ไมถึงี่สุด แต่ก็ถามต้องมีเหตุผลตอบจำไว้เลยต้องมีเหตุผลตอบพราะผู้ดเจ้าแน้นอะไรทุกคนจะตอบไม่ได้เม้นอะไรพวกกรรมฐานานึกในใจ่านเพราะพู้ดเจ้าเม้นอะไรมากทีก่สุคงตอบไม่ได้แม่จะโกเดีย่ยรับเลยเน้นวิชาต ระดักหนึ่งเรียกว่าขันธัด ห, หรือละทำนายเน่นวิชาการเกิดมาทั้งทีก็อเอาดีที่ดับไม่มีความรู้คู่เขาไม่ได้ใจนะล้วพุทธเจ้าทำไมต้องสเสด็จมัณพชาด้วยไม่ใช่หนีโลกหนีเนียไปพวกเราเข้าใจวันหนีโลกหนีเนีย ล า, ล, ลาหุนลาหุนออกนะคลอดนะทำไมเั่เด็กนี้ลาหุนออกแล้วคลองใจไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือได้เราไปเด้ก้าวตรงนีนวิช า, า, าก Doctor, ารท่านสำเร็จทีแปดด็อกเตอร์ที่ศารหมดตำลาเรียนไม่มีใครสอนพระองค์แล้วตำลาเรียนข้อนี้หาครูไม่ได้คือวิชา วิชาอะไรพวกกรมฐ า, านต่อที่ไม่มีครูสอนนะให้เวลาทีส่สกติแล้วโลภเหล่ามาวันเดียวก็ได้แล้วเหรอะแค่เดินอยู่กับโไมพระ้รือกับพระสักเจ้ามันจะได้อะไรนะท่า น, นเน้นวิชาการขอฝาวกวงหน้าทางหน้าไว้ เพียงแต่ไม่โลกให้เด็กนสกศึกให้ไปรักเตอร์ให้ได้จำไว้ผู้จิตใเข้าใจไหมนี่เนียต้อเรียนให้ลูกดูให้จําทําให้จริงมันจดมันจํามันจําไม่จดซึ่งด่างน้ำอย่างวัดมันจดมันจําไอ้สอนลูกเนี่ยให้เป็นคนจดบ่อยมาสองมันจดไปแล้วมาสองมันจะจดใครเนี่ย นะโฉนจะแค่พวกเราพอเห็นขึ้มาจำได้ลาไปบ้านตบนึ่เดียวก็ลืมเลยไม่เคย็ำหมดไปไหนสมุดทก็ได้ไม่กี่ตาางเลือนชอบาทเดียวไม่ต้องไปเอาเครื่เลยก่อนนะต้องเอาคนคนันชั้นเต็่อชันไปเกบถุงต้องเอาดูหมอเอามาเขียนมันจมาก ไอ้ปลตาเยอะย ะ, ย ะ, ยะไปอะที่้าขายอ่ะเพี้ยงละบาทเชื่แล้วขิ้นเลยนะคืจิตจำอะไรมาสองวันนี้ประเทศเฉลี่ยที่ไหนรู้ไหมจำที่าดเจอพอเจอจอะไรโจดโจดโจดโจแค่ไหนอันนั้นเอาไปสอนลูกไงเขียนว่าที่พ้อนอนเียให้รู้ดูให้จาทาให้จริงเรียให้รู้ดูให้จาทาให้จิ ใครไม่เอาของคนเราเอาเอาไปเลยคนอื่นเขาไม่เอา่ไหมเาเลีแตะไหวตีหัวนอนลูกบดสองอู่แผ่นมันจดมันจามันจามันจดถึงไดงามอย่างว่าหูมันจดมันจำไปกำลาหือก็ก็อภมองไหนไหที่จดประทเจอมาจด เล ย, น, น, ย, ย, น, น, ยนั่นเลยจอดนั่นเลยจอดเนะพวกเราไปจอดไปชื่ไหนไมคนจะจอดไปจำไม่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจำจำของแปลคืออะไรของแปลคืออะไรของที่แปลกมากคือคืออะไรไม่รู้ไหมคือของไม่อยู่ของแปลกเนาะ ไม่มีใครเยอะนั่นไอ้ของดีอ่ะสอนแล้วมีใครอยากไอ้ของไม่ดีแล้วก็จดีนะอจม่ชื่ชื่อัี่งเเรื่องที่ไอ้ชอบไอ้ไอ้ส่งชื่อมนไปเร่ปลักไอ้สิ่ไปเรื่องไปลาวเนี่ยของดีนั้นไม่ใช่ของเก่สอนยังไงก็ไม่อยากั ในเือหนา้าที่ของวันศึกษาคา่ะวนนี้วักษสอนลูกเอาเป็นดักหลับให้เราจะยากดีมีจนไม่ถลายยาจงลึกถากาใหสอนให้ลูกเรี่งลูกมันโตนะเรื่ค่ะลูกต้นโพให้เรวยลม เดี๋ยวนี้เสียใจด้วยเลี้ยงลูกโตมันก้นตาดูจากก้อนาเนี่ยมันมีกินการแส้ขาวไหมทําว้เลี้ยงลูกโตมันม ก, นะน ก, รราาก้น ต, ตาแนวเอเื้อเอาใตล้จะประการใดตามใจลูกเสียคนจะตาใจลูกมนะันก็เสียคนวิธีตามใจมันใหญ่ลักูว่ต้องปูกลากลูกเต็มตี ลักมีต้อง้าลักหน้าต้องคิดลักมือต้องเตือนกันแต่าว่าตีอย่างมันจะตีหัวล่างห่างแต่แม่ตาเจอโธ่สาแล้วตลูกเจอร่าห่างแตดไม่ใช่ตีด้วยแบบอย่างนะพิมด้วย แ, แบบอย่างสร้างความดีให้กับลูกทาถูกกับหลานลักใร้มันถูกวิธีทาความดีให้อีกอธิานะตรงนี้อยว่กับใจ ไต้แบบอย่างไม่จช่ตีด้วยมไม้แล้วด่าลูกเสียมันเลยนะคนที่ด่าลูกแสดงว่าด่าตัวเองแล้วลูกมก็จำมันโตขึ้นไปมันเอาคำด่าไปแต่ใครด่าลูกมากๆ้วเถียงพอ่อเถียงแม่มากๆไปมีลูกพอมันจะเถียงเราเพิ่อมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมาก คำว่าพอที่สื่อเข้าสอนธรรมะพอที่สื่อคือเปลนใจนะั่นเปล่นใจแราโดตามใจตัวใจและตามอารมณ์ไม่มีการสลึกสร้างสติตาอารมณ์เยอคนนะคงจำได้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าเสด็จมันาคือ6คืนกปีไปหามาก็ไม่หด้ จะถึงวันวิสาขะคือวั น, นคล้ายวันพุทธโดยมุทไปยังโกงไปหาอาจา ร, าาารย์ดาลาบุบดอาจารย์สมชายดูกยาบุตรลามาพุพอเหินเดินอากาศได้ดำดินได้ก็ยังไม่คุนุกยังหาค น, คาานะนชุกไม่ได้และกระถาหายตัวนีมันก็ชไม่ได้หไม่ได้ท่านก็หลุดไป อบ อ, อาหารทนทุกข์กับทรมานเหลือแต่เส้นเอ็งกระดูกก็ยังไม่ชัดถึงสามสายจะดังขึ้นไปไปขาดย้อนไปมันยากต้องเส้นกลางคือเส้นสายกลางอดีตอย่าลืมเลื่อนเรื่อคนอื่นแบบที้จะชีวิตข้อทำ ม, มันเสร็จอย่าไปเอาเรื่องกับใครครับคนอื่นจะช่วยเราไม่ไดา้แล้วคลยสุดปลา ใครหน่จะช่วยเราถ้าตัวเราเนี่ยเป็นคนช่วยเราแ่การน้นใครจะช่วยเระถ้าไม่เจอเราจะทาเองใครจะมาทำให้เราคนเดิมนี่ถึงกับตัวกังนะพนเดิมนี่เบื่ง่ายแต่ถึงกับตื่นครบนานๆใจกระลุกวนทางที่สุดระยะทางที่สุดมาอะยเวลาที่สุดคนจำได้เลย ดูกันนานๆหน่เดี๋ยวรู้นิสันไม่อยู่นิสัยกลกาแรงขึ้นหเรื่องเขาให้ไม่ได้ใหาไม่ได้แลวเป็นา ก, ก็หลุไปเลิกมาเาาาาริม่มเขยาหันอัญมณนีหมดเลยอันี็หมดเว่าไม่สม พอแช่พื้นความทั네้งเด็ดแต่มันโค่นเดือดได้ชนะพื้นเดือดไม่ให้ใช่หลายคนหลายคนมันต้องพัฒนาต้วเพื่องาพัฒนาแต่เด็กถึงหรือไปเจ้าชายก็ดีไปก็เสด็จไปเรื่อยเฉลวยก็ย้ายหาเสด็จวันโกนดุสักก็เสด็จไปกระทบดีลิ้นมันน้ำเมื่อลังฉลา หดือตายตุชาชาแม้นิชนาสุชาดานาข้าวมาตุปาดียากมอชมัยก่อนนี้ เ, เราอย่าไปว่าใครต้นปันหาที่พึ่งเลยยากไปหามอดูไปหาผูข้าวแก่คงมันไม่มีที่พึ่งไม่รจะไปพึ่งใครเราจะกล้าอย่างบรรยากาศอย่งไม่อยู่ของจริงหรือจะของกล อ, องก็ยังดีมีมอดูดูให้กลังใจ มีถือข้าวาจเชิงให้กำลังใจเมืม่อขมายโน่นมานานแล้วตั้งแต่พุทธกาลเลยเนางนุชนาติชาด า, า, า, า, ดดาเอาข้าวมาตีปาและดากก็ไปถวายขวายก็พุทธเจัาเขาจะพุทธเจ้าเป็นเชท ว, วดาไปบนบางฐานเจ้าก็เทวดาไม่รู้จะไปพึ่งใครก็พึ่งเทวดา พระเจ้าก็เสวยมเลยเสวยมีถาทองคำนางพิชาดาก็ได้ล้ำรวยขึ้นมาเพราะได้เสวยของนางพิชานาวพระเจ้าก็ขอวิษว่าธรรมะอยู่ตรงไหนขอให้ปรกฏให้แก่ข้าพเจ้าในอดีตาทองคร้อยเหรนนะ แล้วน้นมอ้าทใจท่านบอกว่าเอาละหากัเด้าถ้าหมดเช้คือวันศุกร์ต้องเดินแค่นอนต้องเรียนวิชาาถรแค่นอนและท่านข้าแม่น้ํานรลังคาเข้าสู่พุทธกษยานั่งประทับใต้ต้นโพโดยยากุศาแต่ตามกรางปะว พ่อได้ปัจจยอนต้นขึ้นมาเลยปัจจัยเลือดนี่จะเหี่ยวแห้งกลางกลางรรมท า, านเน่ยอขอพรเนาลูกนาปวดเนอเลอกหนอะไปห้องน้าหนาแล้วไม่กลับมาเลยไม่มันจะได้เหรอมันมีการหุนใจไม่มีการอดทนอดทานอดอมปนิบัติธรรมอาตมาบอกหนึ่งร้อยหนึ่งโคนขึ้นม โมทนาขอโมทนารอยลหนึ่งอให้เอาจริงๆที่จะมาสั่ทำตามทุกวันเสมอต้นเสมอหลายไอ้คนที่ไม่เอาหนักกระบอลกรแห่งกาะของกจะแจขาดเป็นทุ่งพ่วเมือน้างขาดเป็นทุ่งพ่วเรือก็เดินไม่ได้รถก็เดินไม่ได้กระเทือนน้ากระเทือนตกเขาอยากเอาคนไมู่่กระเทือนหน้ากรเทือนตบไปเสมอต้นเสมอปลาเป็นเอกหน้าเอกไม่ได้หรอก ยังกลัวกวัวทุงเถียงตลอดรายการไม่เลยทำ่าผืนใจมาจากตุณกระจายยันกระจายไหมเนี่ยพ ร, อยรอยนะองค์ก็ผืนใจพยายามนนะ่ยากอุกะเหือดเสือเหือแห้งไปกับงเย้าหยองตาสำเร็จในวันนั้ น, น, นทั้งปฐมญาณันทีในวันวิสาขบูชาคล้ายวันวันนี้ หเราวิสาขะให้ท่นนานฝัดใครวันนี้ทําจะไปโปรธใครก่อนหรือไม่บางคนก็บอกหรือเอาก็จะพูดของตัวเองไม่เอาพูดมันจะเอาใครนะท่านก็นึกถึงอาจารย์ทอชายได้ว่าท่ า, านสั่งไว้ว่าให้มาโปรท่านท่านก็ตายแล้วก็ไปบอู้สษี คนใกล้เคีคือปัญวัตคือปาอิสิปัฒณะมริกายาคาโยวันแขวงพัลลัสนีไโปรดที่นั่นแต่ปัญญวัตคีไม่เลื่อนใายเข้าใจว่ามาถวยสัจยาหายเลยไม่นัดหมายจะรับพอเสด็จเข้ามากระจายเลยนัหมายเราะความดีของพระพุทธเจ้าคเมตตาช่วยจะรับญาณรับ ถ่ารับผ่อนรับเราองจึงได้แสดงทำมาจาักกับประวัตินตึ่งคอหลังจากอุศาถาบูชาเพื่อเฉร็จำปูดัญคือผู้ธัยญาตได้รับมัคคุตาญาติเข็มานุ้นะผิชญามาแล้วนั้นจึงได้สอนปัญญวทย โปรโด้วยธรรมาจาักรในวันอาศาลหก ร, หรินชาในวันต่อมาตามเดิมอัญยาปุณญญาจะเนรสำเร็จมักผมขอบวชในพระพุทธศาสนาเลยแต่จึงมีรัตนก า, ายสดบ ม, มาจนแับ น, นี้นี่ยมาจากิึษาคาเพราะนั้นจาไว้เลยเข้าวัดทำไได้สามวัน ธรรมะอธิเสียคือถึงใจปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจเราตามใจตัวเองแพ้ใจตัวเองคนนั้นทำเด็ดไม่ได้อิสระเสรีคืออะไรอิส ร, ราเสรีจำไว้เลยคือชนะใจตัวเอ ง, อ, เ อ, งอิเส ร, รีมันจะบอกไม่มีหัวไม่มีเมียแล้วก็เป็นอิสระไม่ฉันอิสระเสรีชนะใจตัวเองไหม ถ้าแพร่จตัวเองไม่กลองมาอภิไายกรรมฐ า, านในเดือจะโดดเลยกรรมฐ า, านปรว่าการกระทำให้ฐานะดียอดสูงสุดในพระพุทธศาสนาะศีลสมาธิปัญญาจเจริญสติปฐานสี่ให้มีสติทุกอวัยวะจะยืินจะเดินจะนั่นจะนอน เย้าคายแลกขวาผู่ยาเดขาตั้งสติไว้คู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเดินช้าๆอย่าวิ่งตั้งสติในการเดินถ้าทำตามอตมาที่กล่าวแย่างเจวันได้ผลแล้วไ่คุยกันกินน้อยนอนน้อยพูดแต่น้อยทำความเพียรให้มากมีทางที่จะได้มีทางที่ได้ผล มังนงัดติดนีมันคลางแต่ที่โนนมันคลานแต่ที่นั่งไม่ได้มันนั่งคุยกันถ้าจะมานั่งคุยกันอย่ามาดีกว่าเรื่องเก่ามาลือเพือเรืเร่อคนอื่นมาพิกที่ชิดชองไม่ทำแอย่ามาดีกว่ามันเสียเวลางานบ้านแต่ก็ต้องขอประทานอาภัยทุกท่านด้วยสาขาครั้งนี้หยดุดราชการสามวัน วันโคตเชยด้วยกษิษการก็มากันมากก็แน่นหน่อยก็ไปเรื่องธรรมดานั่นยังไงก็ตามขอให้บางคนที่ตั้งใจทำด้วยความตั้งใจเลยไหมทำด้วยความเคารพทำด้วยิชสงบทำด้วยความถูกต้องรับรองท่านได้ผลไปหรืจะมากน้อยเพียงใดก็ได้ผลเราคนไม่เอา อาเยล่ลำบากนอนไม่เอาเลิกรับรองไม่ใช้เคยเลยคนที่เสียสละจากระ้ังนั้นเนี่ยจำไว้จะเสียสจะตลอดไปปฏิการจําว้ยิ่งเสียสละพูดและต้องทามากน้อยอยังไงต้องทําให้ได้ตามคําพูดอย่าคําพูดไปทิ้งรับรองเราจะทําอะไรได้ผลได้มากที่สุดถ้าขายก็กําไรงามทําอะไรก็ชําเป็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รประดานและเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญมากการกรริญก็คือประธานสี่กายานปิฒนาตกายจะดูนจะเดินจะนั่งจะนอนเหลียวซ้ายจะแลขวาผู้เหยียดเหยียดขาไม่สะดเดยอย่าให้พาดเัยถ้ารเราไปใช้ได้ทุกอันนี้เเวทานารุปปัจนาเวทานาลุก ป, ปัจนากรรมฐาน ปวดเมื่อยยังไงเสียอกเสียใจยังไงสร้างสถิตว่า ก, กำหนดให้ได้ปวดหนอะตายให้มันตายโดยที่กำหนดไปเยอะก็เกิดสร้างอยู่แล้วก็เลื่อนลอยแล้วก็เดบไปมันก็หายไปติกนานุปัฏนานุกดประช า, านิโคตรที่สามถือเป็นธรรมชาติของคิกอนานรมณ์รับรู้ลงไมาได้เวลานา น, านประเทศอสุขเสืมันไม่มีตัวตนที่มือคําได้ หาตัวตนไม่ได้แล้วคลั่ไม่ได้มีอย่างนี้มันมีตัวตนมาเป็นอารมณ์นี่แหละวัดอารมณ์อยู่นี้วัดจิตวัดายอยู่ตนี้จิตของเราจะดิ้นไปทางไหนแล้วเอาสติตามไปพลิกหนอที่วินสติโกรธแล้ว่าโกรธหนอที่วิ่งติาคัญไม่ปฏิบัติโลมากแต่ไม่รู้สจิตโลมากแต่ไม่รู้จิต เรื่องการปฏิบัติธรรมมีความสําพันอย่างไรอันนี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจและจากด้วยตนเองเพียงแต่บอกกันได้เพียงแต่ทราบอา น, นิสงส์ให้กะบอกได้ทราบอานิสงส์นี้ๆแต่ไม่ทราบเมื่อแท้ไม่ทราบเมื่อแท้เลยของการปฏิบัติธรรม นั่นดีอย่างไรแต่งกายให้ดีอย่างไรไม่รู้แต่งวาจาให้ดีอย่างไรแต่งกายให้ดีอย่างไรเมื่อได้มีโอกาสปฏิบัติพ่อจะได้ทราบชัดอย่างที่ทราบรอยู่แล้วทุกท่านถ้าปฏิบัติได้มันจะรู้เองเขาบอกเนีไมันจะไปรู้อะไรฮะอันนี้สงไข่ก่อนปฏิบททัติทำปฏิบททัติทำเมื่อแท้เราไม่รู้ไม่เคยปฏิบัติ ไม่ทราบเนื้อแท้ื่อจะมีโอกาสปนิบัติก็จะทราบชักอย่างที่ทราบอยู่แล้วพุทธนที่มานั่งอยู่ที่นี่มาใหม่หรือเก่าก็ตามนะจะเห็นว่าท่านทั้งหลายมาแต่งการมาแต่งวาจาแต่งจัดให้มีความดีให้มีความงามให้สั ป, ประฐานสีอย่างที่กล่าวแล้ว ทุกครูบาาจาสอนเน่เดินตรงปลหัวย่างใาอย่าให้ชาลุกอย่าตาเมือมองไปที่อื่นเนี่ยต้องคันล้านเรื่องไม่รู้เนื้อแท้ไม่รู้ของแท้ให้มีความงามแต่งกายวาจาจะให้นาเมื่อส่วนความดีความงามก็จะชื่อว่าสมส่วนแห่งความเป็นมนุษย์ สส่วมตัวใงความเป็นมนุษย์และพระเจ้าท่านทรงยกย่องผู้ที่เกิดมาในโลกด้วยด้วยทรงใช้คำว่ามนุษย์เพื่อแปลว่าไทยแต่มาจากคำบาลีนั่นเองถ้ากลับเรียกคนทั่วไปก็กับเรียกว่าสัตว์โลกหรืออาจจะเรียกให้าะด้วยภาษาไทยคือกับเรียกว่าสัตว์โดยความหมายของคำว่า นะั้นไม่ใช่หมายความว่าเลวแต่เป็นชื่อต้องถูกถูกฆ้าได้ด้วยอารมณ์ทางตาหรือกระหลกลิ้นใจใจเมื่อยังถูกถูกฆ่าอยู่อารมณ์ม่ถูกฆ่าเองอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นสัตว์ตายเราไม่ชอบคำว่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นคํายาบจึงเข้าใจแปลคําว่าสัตว์ เช่นเป็นคำบาลีนะั้นโดยโดยให้มีให้มีคําจ่อท้ายว่าสัตวโลกคําว่าสัตว์โลกนั้นก็คือผู้ที่ยังค่องอยู่ในอารมณ์ผู้อยู่ที่ค่องอยู่ในอารมณ์เรยว่าสัตโลกเมื่อสามารถควบคุมติ ด, ด, ดไม่ให้ถูกถูกพลาดพลาดเกินเกินไปไปฐานะแห่งความเป็นสัตว์ ขยับขึ้นมาเป็นมนุษย์ขยับขึ้นมาเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์ท่านนับปราดทางศาสน า, าก็ยังแยกไว้แต่ว่ารวมคำแล้วคำว่ามนุษย์ก็คือผู้ที่ได้รับการตกแต่งคำว่ามนุษย์นึกถือหมายถึงผู้ที่ได้การตกแต่งกายวาจาใจให้ดีให้งามให้ดีให้งามแล้วท่านทั้งหลาย ขอให้สังเกตตนเองว่าายงามอย่างไรวาจางามอย่างไรและใจางามอย่างไรต้องรอที่ท่านมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่มีการปฏิบัติธรรมที่เกันคารฆ่าการความงามแม้การที่เหมือนกันดูหน้านะของการทำและการที่คนอื่นเขาเห็นเขาได้ยินแล้วเขาสบายใจ การทั้งหลายอยู่ร่วมกันก็สบายใจกันเองละเนีนที่อยู่ด้วยกันก็สบายใจกันเองผู้ที่เข้ามาก็เห็นก็สบายใจกันเองสบายใจเพราะอะไรเพ ร, ะเพราะความดีความงามอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการตกแต่งขัดหรือขวัฬกายวาจาให้มีความดีความงามดังกล่าวมาแล้วในขั้นต้นซึ่ง บุญหนักหนาที่ท่านทั้งหลายไม่เกิดทางไกลไปจากพระพุทธศรสนาแล้วก็มามีบุญเพิ่มมีบุญเพิ่มเกิดการมีมีบุญเพิ่มทั้งบุญทั้งหลายก็จะเกิดความภูมิใจเรื่ว่าแม่จะเกิดมาเป็นคนธรรมดายังสามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลรงอริยปีน แต่ท่านทั้งหลายก็สามารถตกแต่งหรือแต่งกายวาจาและ่อให้มีความดีความงามที่พูดนี้นะ่ะเหมือนการพูดกอกันแต่ว่าพูดไปตามความจริงแล้วศีลแต่งให้กายวาจาของท่านทั้งหลายงามให้กายวาจาของท่านดีสมาธิปัญญาแต่งกายของท่านทั้งหลายให้ดีให้งาม มันจะแต่งได้มากน้อยแค่ไหนกินใดต้องด้วยเทปตัดกายที่มาปฏิบททัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ไมั้ยเพื่อความเป็นมนุษกลับไปและทำเสมอทอดเสม อ, สมอลายมั้ยมาถือมาจากหลายจำนักฟุ้งไม่เอาเอาอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาจะโง่หนักเลยท่านก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยจริงของท่านทั้งหลายความดีความงามที่ที่สูงขึ้นไปตารนำกลับ จนกระทั่งเข้าถึงอริยภูมิอริยภูมิที่พูดในกัณฑ์เชิงที่ท่านทั้งหลายเข้าใจอยู่แล้วแต่มาร์กล่าวอเมรุทนากับท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายจะได้เกิดความภูมิใจมาปฏิบัติมาเพิ่มความเป็นมนุษมาเพิ่มความเป็นมนุษมาเพิ่มแล้วก็มนุษย์ทั้งท่านทั้งหลายให้สมบูรณ์นั่นเองเป็นการห้ามไม่ให้ลงไปสู่ ภูมิที่ตำ่ำภูมิที่เร็วภูมิที่กันฉักร่หรือสักอง์โลกแต่กับรุลนกายและศักดิ์เวรสารมาเพิ่มภูมิธรรมเรียกว่าภูมิอนิยะภูที่เราดึงตาหูจมูกริ้นกายใจยเป็นตนก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมไม่เจาะเน้อกาปรปฏิบัติธรรมไม่จะงมา่าไม่จะของธรรมได้ง่ายๆคือพรจะพุทธเจ้าทรงบ่งัชานะั้น ก็ต้องการจะไปหาทำานายนี้มาให้แก้ปัญหาชีวคือกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานกาน ท, ทำได้คิดหนอที่เล่นตีโดดหนอที่เล่นึีไม่สบายใจเอาความหมดให้ใจยาวๆหรือทีห่หายใจสบายๆรับรองท่านแก้ปัญหาตัวเองได้ทางตัวออกบอกตัวได้ใช่เป็นตัว ตัวเ่็นจะได้เห็นตัวตายอาจจะได้คลายที่ถือท่านก็เลยรู้สอชอบอาจะได้ประกอบพูโทโธนได้โภนัาณาจะหลักฐานสําคัญเกิดขึ้นในตัวท่านทั้งหลายดังที่กล่าวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาจํากัดก็จะขอให้นั่งสมาธิตามที่เขาสั่งองค์กรโลกให้นั่งสมาธินิดหน่อยจิตนาที ทานาทีก็จะได้นางไปขออนโมทนาสาธุการแก่ทุกท่านให้ท่านณับปฏิบัติสมาฐานาท่านตั้งใจปฏิบัติขอให้ท่านเจริญเป็นมนุษย์ชาติสัตวชาติจมูกเป็นมนุษย์ภูะพมไม่มเคแยกออกไปเป็นฉันตตรวรุดดังที่กล่าวมาขั้นต้นขอให้ทุกผ่านจงเฉลิมฉลองอายุวยันวนาอุทาปราปฏิภาณนำสารจนบัดและเคยถึงหนึ่งะตะการได้สมความมุ่งมั่นปัญนาด้วยาการพูดพูดงาม น่าโอกาสหมักยืมเชินขอเชิญพรทุกท่าน